แนะนำบทอัลกอซอฟบทอัลกอซอฟเป็นบทมักกียะห์มี 88 องค์การที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาคือเรื่องเกี่ยวกับการให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์ศาลและการฟื้นคืนจิตเป็นบทที่มีแนวทางในการดําเนินเรื่องและจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันกับบทอันนัมและบทอัสสุอเราะห์แก่นหลักของบทนี้หมุนเวียนในเรื่องของสัจธรรมและความเพ็ด เรื่องการยอมจำนนและความดื้อรั้นและเรื่องการต่อสู้ระหว่างพลพรรคของอัลเลาะห์กับพลพรรคของไชตานในการนี้ได้นำมากล่าวไว้ 2 เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงในการปกครองและการใช้อำนาจโดยยกตัวอย่างเรื่องของฟิรอูนนักปกครองที่ใช้อำนาจกดขี่ประชากรชาวอิสราเอลให้ได้ลืมรดการลงโทษอย่างแสนสาหัสคือการฆ่าบุตรชาย การไว้ชีวิตสตรีเพศและที่ร้ายกาจไปกว่านั้นก็คือแสดงความโอหังต่ออัลเลาะห์โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้าเรื่องที่ 2 คือเรื่องของการแสดงความโอหังและความผยองในการครอบครองทรัพย์สินเงินทองโดยยกตัวอย่างกอรูนกับพรรคพวกของเขาทั้งสองเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ข่มเหงความโอหังของมนุษย์ในการดํารงชีวิต ด้วยทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศหรืออำนาจก็ตามบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความเกลียดกลากของฟิรอูนความหยิ่งผยองและการบ่อนทำลายในแผ่นดินและวาทะแห่งความหยิ่งผยองในทุกกาลเวลาและทุกสถานที่จากนั้นได้กล่าวถึงการกำเนิดมูซาความกลัวของมารดาที่มีต่อฟิรอูนและการดลใจของอัลเลาะห์ให้แก่นางโดยโยนเขาลงไปในแม่น้ำไนล์ พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติภายใต้การทุ้มครองของฟิรเอานเสมือนกับดอกไม้ที่หอมหวนอยู่ในท่ามกลางเส้นหนามและโคลนตมบทนี้ได้กล่าวถึงมูซาเมื่อบรรลุนิติภาวะการที่เขาฆ่าชาวอียิปต์การอพยพไปดินแดนมัดยันและการสมรสกับบุตรสาวของนบีชูอัยน์และการที่อัลเลาะห์ทรงใช้ให้เขากลับไปยังอียิปต์เพื่อเรียกร้องเชิญชวนฟิรเอานให้กลับเข้ามา หาอัลเลาะห์ตลอดจนเรื่องของมูซาที่มีต่อฟิรอูนอย่างละเอียดจนกระทั่งอัลเลาะห์ทรงให้เขาจมน้ําตายและบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ที่ต่อต้านในการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ชี้แจงว่าแนวทางของผู้หลงผิดนั้นเป็นหนึ่งเดียวบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกอรูมและได้กล่าวถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างวาถะแห่งการอีมาน และวาทะแห่งความยิ่งผยองบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะไปสู่ทางแห่งความสุขนั่นคือทางแห่งการอีมานซึ่งบรรดาศาสนทูตผู้ทรงเกียรติได้เรียกร้องไปสู่บทอัลกอซซถูกขนานนามเช่นนั้นก็เพราะอัลเลาะห์ทรงกล่าวถึงเรื่องของมูซาอย่างละเอียดตั้งแต่การเกิดของเขาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร่อซูล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 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَآنِي تُهْكَانَ تَنْظُلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رَاوَ اللَّهُ جَأْنْ حَايْ جَاوْ ฟางบังส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและฟิรอูนด้วยความจริง เพื่อกลุ่มชนผู้ศรัทธาอินนาฟิรอนะอะลาฟิลอัรฎวะจะอะละอะห์ละฮาชิยาอะยัสตะฎอริฟุฏออิฟันตัมมินฮุมยุดับบิหุอะบนาอฮุมวะยัสตะฮีซาอฮุมอินนะฮูกานะมินัลมุฟสิดีนท่ากิงฟิรอนนั้นหยิ่งผยองในแผ่นดินและทําให้ประชาชนนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่มๆ เขาทําให้ชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาอ่อนแอโดยฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเขาและไว้ชีวิตเหล่าสตรีของพวกเขาแท้จริงเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บันทําลายวะนูรีดูอันนุมุนอะลัลลาดีนัสตุดอฟูฟิลอฎวะนัจอะละฮุมอะอิมะตะวะนัจอะละฮุมอัลวาริซีนและเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดิน และเราจะทําให้พวกเขาเป็นผู้นําและทําให้พวกเขาเป็นผู้ได้รับมรดกและเราได้ให้พวกเขาครอบครองในแผ่นดินและเราจะให้ฟิรอูนและฮามานตลอดจนไพรผลของเขาทั้งสองได้เห็นในสิ่งที่พวกเขามีความกลัวและเราได้นําเขาไปสู่ مساء انرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رددوه اليك واجعلوه من المرسلين และเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศกแท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราจะให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนทูตตันตักตะฮูอาลูฟิดอูนลิยคูนละฮุมอดวนวะฮะซนาอินนฟิรอูนวะฮามานาวะจุนูดะฮูมากานูคอติอินดังนั้นบริวารของฟิรอาวได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรู และความเศร้าโศกเสียใจกับพวกเขาแท้จริงฟิรอูนและฮามานและไพร่พลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิดวะกาลัติมราอาตุฟิรอูนกุรเราะตุอัยนิลลีวะลักลาตักตุลูฮูอันซาอัยยาฟะอะนาอาวนัตตะคิซะฮูวะละดันวะฮุมลายะชุรุนละภรรยาของฟิรอูนกล่าวว่า เขาจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่ฉันและแก่ท่านอย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวใหม่ وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ และจิตใจของบรรดามูซาได้คลายความวิตกกังวลนางเกือบจะเปิดเผยกับเขาหากเรามิได้ทําให้จิตใจของนางมั่นคงเพื่อนางจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา